การอภัยไม่ได้ประกันว่าเรื่องราวทุกอย่างจะยุติแต่เป็นประกันว่าใจเราจะเบาลงและไม่ต้องก่อกรรมเพิ่มถามอยากยุติเรื่องซ้ำซากต้องด้วยการให้อภัยใช่ไหมการอภัยไม่ได้เป็นประกันว่าเรื่องราวทุกอย่างจะยุติครับแต่เป็นประกันว่าใจเราจะเบาลง และไม่ต้องก่อกรรมเพิ่มเมื่อตัวเราเข้าไปผูกเป็นปม อ, อยู่กับคนอื่นทุกคนอยากคลายปม อ, ออกทันทีทันใดกันทั้งนั้นแต่สิ่งที่เกือบทุกคนทำกันในทางปฏิบัติก็คือการมัดปมให้แน่นยิ่งขึ้นไปอีกการอภัยเป็นคำที่พูดกันสั้นๆง่ายๆแต่ทำกันยากๆยาวๆไม่ใช่คิดให้อภัยแล้วจบแต่ต้องเริ่มจากการไม่โต้อตอบในทางร้ายและหาทางคลายปม หรืเริ่มต้นที่ใจก่อนเป็นอันดับแรกการคลายปมทางใจที่ว่านี้ก็คือก้าวแรกของการให้อภัยนั่นเองเมื่อปมทางใจคลายได้ปมทางวาจาและปมทางกายก็คลายตามท่องไว้ครับอภัยต้องทําทุกครั้งที่เกิดเรื่องกับเขาไม่ใช่แอบมาทําเอาเฉพาะตอนคิดเองอยู่คนเดียว ในอดีตเคยมีความโกรธเกลียดเครียดแค้นแต่พอเวลาผ่านไปความรู้สึกนั้นก็ลดลงลดลงจำความรู้สึกโกรธเก่าๆไม่ได้แล้วแบบนี้จะถือว่าเป็นการให้อภัยหรือแค่ลืมความโกรธระยะเวลาเป็นตัวช่วยให้กุศลจิตแข็งแรงขึ้นด้วยไหมหรือว่าเป็นแค่การเสื่อมของสัญญาคือความจำได้หมายรู้ถ้าไม่มีเจตนาอภัย เป็นจนวนความเสื่อมของอาการแค้นก็ถือว่าไม่ได้ทำอภัยทานไม่ได้บุญเพิ่มครับเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงของสัญญาและสังขารเท่านั้น